ที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุรอดจ47 am นะครับเวลาเนี่ยครับประมาณสองท่มครึ่งก ว, กว่านิดหนึ่งทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้เป็นวันจันทร์แรกนะครับเป็นวันแรกที่มาคุยกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ ก็พอดีเป็นวันมาฆปูชานะครับก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งให้การที่ได้เปิดรายการใหม่ชื่อรายการนี้ว่าทำรรและทัศน์ชีวิตนะครับผมขออธิบายชื่อรายการนิดหนึ่งนะครับเธอทำและทัศน์ชีวิตอธิบายความหมายของคําว่าทำนิดหนึ่งแล้ะทำคืออะไร คำก็คือสภาพที่ทรงไว้ประคองไว้จำตัวนะครับจมตัวสอนแปลว่าสภาพที่ทรงไว้ประคองไว้คือว่าทรงผู้ปฏิบัติคือว่าทรงผู้ปฏิบัติตามไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วอย่างในสวดมนต์สวดมนต์ธรรมวัตรคำนะครับเราก็จะมีกรรมอยู่คำหนึ่งถ้าเผื่อท่านจำสวดมนต์ ทำวัดเย็นได้ก็จะมีคำว่าธรรมโมกุโลกัปตนาตาดัตถาริทารีก็แปลว่าพระธรรมจ่อมทรงผู้ปฏิบัติไปไม่ให้ตกไปให้ทางที่ชั่วหรือในโลกที่ชั่วแล้วก็วันธามหังตมรมะลังวรธรรมเมตตังแปลว่าข้าพเจ้าขอ พระเจ้าขอวันทาหรือขอไหว้ขอนอบน้อมคตธรรมที่ประเสริฐที่นำความมืดออกือนนำออกเสียได้ซึ่งความมืดคำว่าทำคำเดียวเนี่ยนะครับพอมีความหมายคลุมทุกอย่างทั้งฝ่ายวัตถุและทั้งายจิตใจแต่ถ้าอธิบายก็จะยาวมากแล้วก็สับสนเพราะว่ามีความหมายของธรรมนั้งเยอะแยะคำาว่าทำคาเดียว เมื่อก่อนนี่ทางเขาแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำแปลว่ารอบ้างแปลว่าด็อกท i ีนบ้างแปลว่าอะไรต่ออะไรหลายคำอะไรที่สุดก็ต้องใช้ทับศัพท์คือใช้คำว่าทรมะเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้คำอื่นให้ให้เท่าให้มีความหมายเท่ากับคำว่าทมแต่ที่นี่ในในที่นี้ผมก็ขอจำกัดความหมายคำว่าทม ว่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่าที่ปรากฏในคำภี์ทางพุทธศาสนาแล้วก็ยังหมายถึงคุณงามความดีต่างๆหรือว่าบอกเกิดของคุณงามความดีอย่ที่เด็กเขาสวดมนต์กันอยู่ในกระทรวงศึกษาบทสวดมนต์ของกระทรวงศึกษาที่การที่บอกว่าธรรมะคือคุณาก่อน ธรรมะคือผู้ากรผุณากรก็คือบอกเกิดของคุณความดีไอนน้ก็ความถูกต้องก็หมายถึงความถูกต้องอ น, นั่นเองนะครับอันนี้เป็นความหมายสั้นๆของคําว่าธรรมในที่นี้ผมให้ความหมายคําว่าธรรมเอาไว้นิดห น, น่อยเป็นชื่อของรายการคราวนี้มาถึงคําว่าทัศน์ชีวิตทัศน์ชีวิตนี่ถ้าใช้ภาษาอังกฤษ ก, ก็คงจะใช้ the view point of life หรือว่า the way of life อันนี้เป็นวิธีชีวิตหรือแนวทางของชีวิตที่จริงพระธรรมพระธรรมนั่นเองนะครับเป็น the view point of life หรือเป็น the way of life เป็นวิธีชีวิตเป็นแนวทางของชีวิตและทัศนาชีวิตที่ถูกต้องเราต้องขึ้นยุบ ก, กับความคิดที่ถูกต้อง แล้วก็ความคิดที่ถูกต้องก็เป็นองค์หนึ่งของมรรคมีองค์แปดสปธรรมมาสังกัปปะนี่แปลว่าความดําริชอบคนส่วนมากนะครับคนส่วนมากนี่คิดว่าเราอยู่ในโลกของวัตถุเพราะว่าเห็นเห็นว่าเต็มไปด้วยวัตถุอาโลกนี้เต็มไปด้วยวัตถุแต่จริงๆแล้วเราถ้าพิจารณาดูให้ดีนะครับเราอยู่ในโลกของความคิด อยู่ในโลกของความคิดแต่ว่าความคิดไปทางไหนคนก็ไปทางนั้นเราตั้งข้อสังเกตว่าคนความคิดไปทางไหนคนก็ไปทางนั้นทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเร า, าเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดก่อนถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงสังคมเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดของคนก่อนของคนในสังคมนะครับความคิด มีที่พใหญ่หลวงต่อชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตสังคมคนที่มีทัศนคชีวิตอย่างไรเขาก็ดําเนินชีวิตไปอย่างนั้นนะครับเช่นว่าคนที่เห็นว่าวัตถุดีที่สุดวัตถุดีที่สุดเขาก็จะใช้ชีวิตในการเดิไฟค้าหาวัตถุเขาก็คิดถึงในวัตถุแล้วก็หาวัตถุสะสมวัตถุในวัตถุด้วยกัน วัตถุด้วยการเองซึ่งมีอยู่มากมายในโลกนี้ใครเขาเห็นว่าวัตถุอะไรดีที่สุดสำหรับเขาเขาก็สะสมอันนั้นอย่างบางคนสะสมเหล้าบางคนสะสมรถยนต์บางคนสะสมบ้านบางคนสะสมสืม้อแจมสะสมอะไรก็แล้วแต่เขาชอบอันั้นก็คือความคิดของเขาไปทางไหนในเรื่องด้านวัตถุเขาก็ไปสะสมสิ่งนั้นไปชื่นชมกับสิ่งนั้น คราวนี้คนที่เห็นว่าความสุขดีที่สุดเขาก็จะแสวงหาความสุขอะไรที่คิดว่าเป็นความสุขหรือจะให้ความสุขกับเขาได้เขาก็ไปแสวงหาสิ่งนั้นไปเล่นดนตรีไปฟังดนตรีไปฟังเพลงคนที่คิดว่าธรรมะให้ความสุขเขาก็ไปสนใจกับธรรมะคนที่คิดว่าหาการ ไปร้องรำทำเพลงมีความสุขเขาก็ไปหาการร้องรำทำเพลงไปทำเรื่องคือ ว, ว่าคนที่เห็นว่าความสุขดีที่สุดก็ต้องนาจังตาสวงงามความสุขแต่บางทีก็เสียงเสียงเท่าไหร่ก็ยอบแล้อขอให้ได้ความสุขมาคิดว่าเป็นความสุขแคนที่คิดว่าปัญญาดีที่สุดก็จะแสะวงหาปัญญาเห็นว่าปัญญาดีที่สุดก็จะแสะวงหาปัญญา สะสมหนังสือสะสมตำราสะสมอะไรที่จะให้เกิดปัญญามีความคิดความอ่านจใจตรองหาเหตุผลเพื่อจะให้เกิดปัญญาการนี้ก็คนที่เห็นว่าความหลุดพ้นจากกิเลสอห่งีที่สุดเขาก็จะหมนชีวิตไปในทางนั้นในทางที่จะให้หลุดพ้นจากกิเลสพยายามปฏิบัติตนขัดเกลา แต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีล่วงไปก็ให้มีความรู้สึกว่ากิเลสมันเบาบางลงก็รู้สึกพอใจมีความชื่นชมยินดีกับการที่รู้สึกว่าอกิเลสมันเบาบางลงนี่เขถือว่าความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้นะครับทัศน์ชีวิตของคนเรามันไปทางไหนอย่างไรก็เขาก็ดําเนินชีวิตไปทางนั้น อ้นี้ปัญหาอยู่ที่ว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรหรือควรจะใช้ชีวิตอย่างไรถึงจะดีที่สุดอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งซึ่งจะต้องคุยกันอีกยาวนานคราวนี้ก็ขออธิบายถึงจุดมุ่งหมายของรายการนี้จุดมุ่งหมายของรายการนี้ก็เพื่อจะนำเอาธรรมที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าออกมาตีแผ่เปิดเผย ทำให้ตื้นแล้วก็บอกวิธีชีวิตว่าควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่มนุษย์เราจะทำได้อันนี้ก็เป็นจุดมุ่งหมายของรายการนี้นะครับคราวนี้ก็มาถึงวันนี้เป็นวันมาฆปูชาเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันมาฆบูชาคือว่าเป็นการบูชาพิเศษในเดือนมาฆ ก็เป็นเดือนที่พระจันทร์โคจรผ่านดาวฤกษ์ชื่อมะค่าชื่อมะค่านะครับไม่ใช่มะค่าชื่อมะค่าเป็นชื่อของดาวฤกษ์เป็นเดือนที่พระจันทร์โคจรผ่านดาวฤกษ์ชื่อมะค่าหรือวันเช่นเนี้ยมัเป็นวันที่พระจันท์โคจรผ่านดาวฤกษ์ชื่อมะค่ามะค่านี้เป็นชื่อของเดือนสามในภาษาบาลี มาฆจิตระเดือนห้าจิตระวิสาขะเบนหกแล้วก็มาถึงปุษสาแล้วก็มาฆะก็เป็นชื่อเดือนธรรมดาเนี่ยครับแต่ที่นี้ก็เหตุเกิดแล้วก็หลักธรรมที่เรียกว่าโอวัตปาติโมกโอวัตปาติโมกเนี่ยผมก็คิดว่ามีผู้พูดถึงกันอยู่มากแล้วนะครับในรายการตา่างๆตั้งแต่วันเสาร์วันาทิตย์แล้วก็มาถึงวันนี้เขาเปิดวิทยุในรายการต่างๆก็ได้ยิน พูดกันเรื่องวันมาคาบุชาเรื่องจตุรงกรสั น, นิบาตเรื่องเราโอวาทต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประทานแก่ภิกษุสงฆ์ที่ประชุมกันอยู่พันสองรอยห้าสิบคราวนี้ถ้าผมจะพูดอีกก็จะเป็นการพูดกันจู่เรื่องเดียวทุกรายการตั้งแต่สองวันมาแล้วตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์รวมทั้งวันนี้ด้วยครับ เป็นสามวันผมยังคิดว่าขอที่โอกาสผ่านเรื่องนี้ไปก่อนแต่ก็จะขอฝากข้อคิดเอาไว้นิดหน่อยนะครับว่าทางที่จะให้เกิดประโยชน์แท้จริงในวันมาคาบุชาคือจะต้องทำอย่างไรในในวันมาคาบุชาเมื่อวันเทนนี่มาถึงข้าวครับขอฝากข้อคิดเอาไว้นิดหนึ่ง เวลาก็ล่วงเลยไปอย่างรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมก็จะหมดเวลาเช่แล้วแต่วันมาคาาบูชาเนี่ยเมื่อเวียนมาถึงแต่ละครั้งทางที่จะให้เกิดประโยชน์แท้จริงก็คือการน้อมใจระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นภูมิภาคารีของพวกเราและทรงประทานแสงสว่างให้แก่มนุษยชาต มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้รับประโยชน์จากคำสอนของพระองค์สุดจะกล่าวได้ก็ขอให้ระลึกถึงคุณของพระธรรมในฐานะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตช่วยพยงบุคคลให้พ้นจากทางต่ำหรว่าธรรมโมกุโลกัปตนาเราช่วยทรงบุคคลเอาไว้พยงบุคคลเอาไว้ให้พ้นจากทางต่ำทางชั่ว แล้วก็ส่งให้ขึ้นทางสูงทางดีงามทีนี้เมื่อปฏิบัติตามแล้วก็จะได้พ้นจากความทุกข์ได้จริงประสบความสุขที่แท้จริงก็ระลึกถึงพระคุณของพระสงค์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเฉพาะพระสงค์ที่ปฏิบัติที่ปฏิบัติชอบนะครับแต่เผื่ท่านไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบก็ไม่ต้องไประลึกถึงหรอกทิ้ ง, ง, งไปเสียบ้าง ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนเองแล้วก็ชี้ทางให้ผู้อื่นดำเนินในทางที่ชอบด้วยพระสงฆ์เช่นนั้นก็เป็นพย า, ยานในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าปฏิบัติตามได้จริงทีนี้ก็เมื่อฝากความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องวันมาคะไว้แล้วนะครับผมก็จะขอพูดเริ่มต้นเป็นการไหว้ครูนะครับ คิดว่าการเริ่มต้นวันนี้เป็นการเริ่มต้นรายการก็จะขอไววครูด้วยการพูดถึงพระธ ร, รัตจารีกฏพระธรัตจารและการถึงพระธรัตนัรีพระธรัตจรีก็แปลว่าแก้วสามประการจะเป็นคำเปรียบเทียบนะครับหมายถึงสิ่งที่ดีหมายถึงสิ่งที่ประเสริฐในโลกคือพระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เจ้าก็คือท่านผู้ประเสริฐผู้หนึ่ง ก็ะสะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อแปดสิบปีก่อนพศออในตระกูลกษัตริย์ทรงต้องการพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงและช่วยผู้อื่นในพ้นทุกข์ด้วยจึงสเสด็จออกบวชแสวงหาสัจธรรมเมื่อประชนเพียงยี่สิบเก้าทรงค้นพบสัจธรรมที่ทองแท้แน่นอนเมื่อประชนได้สามสิบห้านะครับหลังจากนั้นก็ทรงประกาศสัจธรรมเพื่อมูชนอย่างพวก ประชาชนยังประชาชนให้ดื่มน้ำอมฤตคือพระสัตธรรมซึ่งพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วด้วยพระปัญญาที่ยอดเยี่ยมไม่มีใครเทียมถึงส่งเผยแผ่พุทธธรรมอยู่เป็นเวลาถึงสี่สิบห้าปีเมื่อทรงเห็นว่าพระธรรมวินัยของพระองค์แพล่หลายและตั้งมั่นแล้วจึงเสด็จดับขันปรินิพพานเมื่อพระชนมายุแปดสิบ แต่ ถ, ถือว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าอย่างสมบูรณ์เมื่อตรัสรู้แล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จอุบัติขึ้นในโลกเมื่อสี่สิบห้าปีก่อนพศสี่สิบห้าปีก่อนพศนะครับคราวนี้ก็พระพุทธเจ้าของเราในฐานะาเป็นบุคคลเอกของโลกผมจะคุยถึงเรื่องพระพุทธเจ้าสักหน่อยเป็นการไหว้ครูอย่างที่เรียนไว้แล้วว่าพระพุทธเจ้าในฐานะ เป็นบุคคลเอกของโลกพระองค์ได้จัดเอาไว้เองในคำพีอังคุตรนิกายเอกนิบาตทศตรีโตกะเลี่ม20หนาหนึ่งข้อ139รมที่ว่าบุคคลเอกเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์สุขแก่โลกคือพระตถาคตอราหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าการปรากฏขึ้นของบุคคลเอกนั้นหนาได้ยากในโลกทรงเป็นอริยมนุษย์ กาละกิริยาคือความตายของบุคคลเอกนั้นเป็นความเดือดร้อนของคนหมู่มากพระตถาคตเจ้านั้นเป็นบุคคลเอกที่ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเลิศกว่ามนุษย์และสัตว์ทุกจำพวกการปรากฏขึ้นของพระตถาคตเจ้านั้นขอให้เกิดจากสุขแสงสว่างอย่างใหญ่หลวงทาให้อนุจริยะหกถือสิ่งที่ประเสริฐไม่มีอะไรยิ่งกว่าอนุตริญนะฮะ คุณจยหกเกิดตามขึ้นมาการทำให้แจ้งซึ่งปฏิสัมพิทาสีก็มีขึ้นการบรรลุมรรคผลก็มีขึ้นอนนี่เป็นข้อความใน พ, พัจไปิฎกเอกนิบาต ท, ทางคุตรนิกายนะครับผมจะขยายความนิดหนึ่งตามเวลาที่มีพอมีจูครับว่าโดยปกติมนุษย์เราเนี่ยมีความทุกข์ผมจะขอขยายความข้อหนึ่งก่อนที่ว่าบุคคลเอกเกิดขึ้นในโลก เพื่อประโยชน์สุขแก่โลกคือพระตรราคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยปกติโลกมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็มีความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่มากถ้อเกิดเมื่อเก่าโดยสรุปก็มีอยู่สองประเภทห้ือความทุกข์อยู่สองประการก็คือเพลิงกิเลสเพลิงกิเลสซึ่งก็ได้แก่ราคะโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะครับ ราคาก็คือความกำหนัดรักใคร่ในสิ่งที่ยั่วยวนใจเช่นว่ารูปสวยเสียงเราะ อ, อะไรอย่างนี้เป็นตน้นกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนุ่มนวลอารมณ์ที่ถูกใจโทสะก็คือความทุ่งพร่านของจิตใจเรากระทบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าชอบใจโมหะก็ความหลงความเข้าความเข้าวันนี้อาวิชชาก็ได้ใช้คำอาวิชชาก็ได้ โมา่านี่ความเคร่าความมืดทางจิตใจต้นเหตุของความทุกข์ของชาวโลกส่วนมากก็มาจากความเคร่าเนี่ยครับไม่รู้ความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เลยทำลงไปที่กล่าวนี้ก็กล่าวตามในของอานิตตะปริยายสูตรนะครับซึ่งท่านแสดงว่าบุคคลเนี่ยร้อนอยู่เพราะเพลิงกิเลสราคะบ้างโทสะบ้างโมหบะบ้าง น อ, อกจากนี้ก็ยังมีกิเลสอย่างอื่นอีกมากมายเช่นว่าอิสยะพยาบาทความมากักมากความไม่รู้จักพอต่างๆเหล่านี้ครับบางทีพระองค์ก็ทรงใช้รมโลภโทสะโมหะก็มีพอสังเกตได้อย่างนี้นะครับคือว่าหากทรงแสดงธรรมแก่คารวะก็จะทรงสอนในละโลภโทสะโมหะแต่ถ้าว่าทรงแสดงธรรมแก่บรรพชิต ก็จะส่งสอนให้ละราคะโทสะและโมหะต่างกันแต่เพียงกิเลส ต, ตัวหน้าคือราคะและโลภะก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องโรคเป็นเรื่องสำคัญสําหรับคารวะาแล้วก็เรื่องราคะนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่บรรพชิตจะต้องละจะต้องทิ้งจะต้องเลิกหรือจะต้องบรรเทาทีนี้ก็หากจะพิจารณาด้วยใจเป็นธรรมนะครับก็จะมองเห็นด้วยตนเอง ว่าเพราะกิเลสใหญ่ๆสามประการที่กล่าวมาเนี่ยครับคนทั้งหลายจึงเดือดร้อนคุนวายอยู่กิเลสสามประการเนี่ยเผาคนทั้งหลายให้เราร้อนอยู่ท่านจึงเรียกว่าเพลิงกิเลสกิเลสมันเผาคนทีถ้าคนไม่เผากิเลสไม่เผาความชั่วไม่มีตะบะที่จะเผาความชั่วเสียให้ความชั่วกิเลสมันก็เผาคน อันนี้ว่าเผาคนแล้วก็ร้อนร้อนแล้วก็ไปเผาคนอื่นต่างคนต่างก็เผาซึ่งกันและกันในโอวาทปาติมโมข้อแรกพระพุทธเจ้าก็จัดถึงว่าความอดทนต่อกิเลสเป็นตบาอย่างยิ่งคันตีปรมังตโปตีติขะความอดทนต่อกิเลสเป็นตบาอย่างยิ่งดังนั้นก็เผากิเลสต้องการให้เผากิเลสก็ถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสมันก็เผาคน ก็อยู่อย่างนั้นคนก็ร้อนนี่เพลิงกิเลสขอเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับที่ว่าจะเวลาแสดงธรรมกับคาราวาสเนี่ยทรงใช้โลภะโทสะโมหะเนี่ยแม่นิวรนาห์าก็เหมือนกันนะครับนิวรนาห์าขึ้นต้นด้วยคำว่ากรามฉันทะเนี่ยหากความพอใจในกามถ้าทรงแสดงนิวรนาห์าแก่คาราวาสก็จะเปลี่ยนกามฉันทะเป็นอภิชาวิสมาโลภะ แปล ว, ว่าความละโมบหรือความโลภในทางทุจริตาการอยากได้ในสิ่งของที่เป็นของผู้อื่นในทางทุจริตจะทรงเปลี่ยนเป็นอภิชาวิสมารูภะเพื่อให้เหมาะแก่ผู้รับเทศนาเพราะเป็นทรงฉลาดในการแสดงธรรมท่านผู้ฟังที่เคารพครับสําหรับวันนี้เวลาของผมหมดเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเดียวกันนี้ สำหรับวันนี้ขอยุติเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแก่ท่านผู้อุปธรรมรายการทุกท่านแล้วก็แก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ